ความแก่ทั้งโลกมันคิดกันตัวอย่างที่พระมาหากัจจายนะแล้วตามเข้าไปหาท่านท่านไปปูดถึงเรื่องความแก่ท่านไปโทษพระมาหากัจจายนะว่าพระมาหาปัจจายนะไม่ตอนรับ <c oughs> ไม่ให้ที่นั่งไม่กลาบไม่ไหว้คนแกรน่รุ่นกรุ่นตาเข้ามาหาก็มาแห้นั่ง นั่งกันสมควรไม่ราบไม่ไหวมันเป็นความจริงหรือท่านมหาการจริญนนะถามไปต่อว่าต่อขานท่านท่านก็เลยต่อกับทามว่าเรื่องความแก่มันมีอยู่สองอย่างคือแก่ทางโลกแก่ทางธรรมความแก่ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวเอาไว้กับความแก่ที่โลก คือกันนั้นมันเป็นคนละอันคนใดถึงอายุจะมากแปดสิบปีเกสิบปีร้อปีก็ตามแต่คนนั้นยังเจพกามยังควนไขวายืองของกามยังมีกามตัดจินใจยังเดือดร้อนเพราะเรื่องของกามอยู่คนนั้นถึงอายุจะมากก็ยังเป็นเด็ก แต่คนใดทีการไม่เฉลี่ยในกัดกินใจไม่แสวงหาการไม่มีการไม่ตกกามไม่แส่เผลอหัวใจถึงท่านคนนั้นจะมีอายุสั้นๆเล็กๆกว่าตามจะเป็นหนุ่มเป็นสาวผมกําลังดกดํำร่างกายยังเป็นฝันทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตาม คนนั้นเลยชื่อว่าเป็นคนแก่นี่คือด้านของศาสนาด้านของจิตใจเรื่องของการมจิเลถึงแมีอ่อายุจะแกะขนาดไหนใจยังสิ่งปลุงยังติดข้องยังกเกาะเกี่ยวกามจิเลคือรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสยังเกาะกินใจยังกัดกินใจยังแขกเขาใจ คนนั้นเราชื่อว่าเด็กคือว่าคนติดคนคล้องไม่มีความเป็นอิสระไม่ทราบเรื่องความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอะไรกันแน่เหมือนกับเด็กที่ไม่ทราบสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันเช่นไฟเป็นของร้อนแต่เด็ก่อนที่ยังไม่รู้จักอะไรก็ไปจับไปต้องได้ แต่เมื่อแผดเผาเมื่ อ, อไรร้องไห้เสียใจเจ็บปวดนี่จิตใจของพวกเรามันก็ยังอ่อนต่อธรรมะอย่างนั้นแต่นั้นจึงควรที่ารณาธรรมะเพื่อบำรุงรักษาใจทองตัวให้เติบโตขึ้นไปให้ใหญ่เพื่อจะรักษาตัวท้องตัวให้ปลอดภัยไปสถ่ า, านที่ใดสุขสบาย เราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจใจของเราไม่ใหญ่ใจของเรายังจิตยังคล่องไปสถานจิตใจรูดเสียงกลิ่นรถต่างๆนานาอยู่ในโลกอันนี้จะมาลาวีรบกวนจิตใจไม่ให้สุขไม่แบายไม่ปลอดภัยได้เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เกลียดชางต่างๆนาๆนาหาความปกติสงบสุขไม่ได้ นี่คือใจขาดธรรมใจเป็นเด็ก <c oughs> ใจจะเป็นผู้ใหญ่ได้ใจจะละจากกามได้ทางศาสนาครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้า็ทรงสอนมาหลายแบบหลายวิธีที่จะให้พวกเราฝึกอกรมตัวของตัวให้เจริญเติบโตไปเบิกข้ามพนไปจากราคาตัญหา แต่ข้อสำคัญธรรมะที่ต้ังสอนไปนั้นโดยส่วนใหญ่ก็วกเข้ามาสู่กายสู่ใจของตัวเองไห้เด็ส่งไปข้างนอกคือน้อมเข้ามาเรียกว่าโอปัยญิกูดูภายในใจทิ่คล่องผิดคิดตรงเกิดราคะตัณหาเกิดการไม่กิเลส โดยใจขาดสติขาดปัญญาถึงจะมีความรู้ว่าเรารู้เราเข้าใจก่อนตามแต่ความรู้ของเราเกี่บแฝงไปด้วยสิ่งที่เป็นทิศเป็นภัไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าสันสงเห็นฉะนั้นเราจรึงไม่ควรยึดความรู้ถือความรู้ของเรา ว่าเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดเราต้องถือว่าเรายังโง่ยังควรศึกษายังควรพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้ า, าทรงสอนเมื่อจิตใจของเรายังหลงตามรูปเสียงปิ่นรถอยู่เราจะต้องศึกษาต้องพิจารณาดูว่าความจริงสิ่งที่เราลุ่มหลงยึดถือของจิตคิดตรงนั้นมันเป็นอะไรกันแน่ ขันจริยสอนให้แยกแยะเรื่องของกายดูหรือพิจารณาในทางไปรัก <c oughs> คืออันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ได้จะพิจารณาเป็นอสุภะอรสุตังก็ได้จะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้เมื่อเราพิจารณาเข้าใจตามเป็นจริงจิตเห็นอย่างนั้นเด่นชัด ในมีอะไรสงสัยให ม, มีอะไรเกี่ยวแฝงในจิตในใจว่ากายอันนี้ประกอบขึ้นโดยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาจะพูดถึงธาตุหกสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันแปรปวนและมันแตกสลายตกไปอยู่ทุกการทุกเร่นละที่เรายังมีชีวิตเป็นอยู่เกาะเพราะสันติคือความสือต่อยังมี แต่ความจริงแล้วมันหมดไปตกไปอยู่ทุกระยะทุกเวลาเราหายใจออกมันก็ตกไปตายไปหายใจเขา้ามันก็เข้ามาเกิดใหม่เราถ่ายออกไปไม่ว่าถ่ายหนักถ่ายเบาถ่ายทั้งสี่หรือถายทั้งหกมันก็ตกออกไปดินก็มีน้ำก็มีลมก็มีไฟก็มีอากาศก็มีวิญญาณความรู้ว่าเราถ่ายแล้วก็มี มันตกออกไปอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดระยะตลอดเวลาแล้วสิ่งเหล่านี้หน้าจี่ของมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อใดเรายังมีลมหายใจอยู่เรื่องเหล่านี้มันก็สืบต่ออยู่เมื่อใดเราหมดลมหายใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะจะบองแตกสลายไปตามถานเดิมของมันแต่เพียงรู จิตไม่เห็นไม่เป็นมันก็ไม่ละไมถอนจากมิเหตุตัณหาที่ท่านสอนในที่เจริญนะให้ศึกษาให้ทําดูบ่อยก็เพราะจะให้จิตของเราเห็นจิตของเราเป็นอย่างนั้นตามเป็นจริงข้องมัดเมือ่อทราบว่าร่างกายอันนี้สัตบุคคล น, นั้นเพียงแต่สมมติความจริงมันเป็นธาตุอย่างนั้น เขาเราเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันแล้วมันจะไปลุ่มหลงเห่อเหอมกับเรื่องเหล่า น, นั้นมันเป็นไปในไดน้เพราะหญิงชายเต็นแต่สมมติหลุ่มสาวเต็นแต่สมมติคนสัตว์เต็มแต่สมมติความจริงแล้วมันเป็นท่าไม่มีอะไรจะสงสัยในจิตในใจไม่มีอะไรที่จะ ไปกำนัดยินดีเผื่อเพลินมัวเมานี่เป็นเรื่องธรรมะเข้าถึงใจใจเข้าถึงธรรมะใจกปสงบใจก็สบายไม่มีภัยอันตรายนี่ทางหนึ่งซึ่งจะทำให้จิตใจของเราเติบโตเจริญขึ้นเพื่อเป็นคนแก่ในทางศาสนาแล้วอีกทางก่อพิจารนาะเรื่องอสุภะอสุพัง เราจะขับไล่จิตใจที่หลงรักหลงชอบว่าสิ่งเหล่านั้นมันสวยสดงงามอย่างนั้นอย่างนี้ตามสมมติอมของโลกนั่นคือการที่จะได้นาตสุภะคือความงดงามของกายเราจะพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาตามความจริงของมันอีกเหมือนกันเพราะร่างกายของพวกเราท่าน มันเต็มไปเหลือของปฏิคูลอิมังภูติกายังคือเป็นของปฏิกูลของตกกระปกไม่ใช่ของเฉยกดงดงามอะไรที่เจรณาผมที่เจรณาขนที่เจรณาเล็บที่เจรณาฟันที่เจรณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการทั้งสามจิตสองที่เจรนา ทีนมีอยู่ในกายน้ํามันอยู่ตามอง์ตามหายตามบ่อตามฉาเป็นน้ำจืดสะอาโดยส่วนมากถ้าหากไปมีสิ่งอื่นไปปะปนเข้าน้ําจะออกมาจากบ่อเก่อตามจะอยู่ตามหวยตามน้องตามบึงก่อตาม เป็นน้ําที่สะอาดน้ําที่มีสีต่างๆนั้นในใส่น้ํามันเป็นสีพออาศัยสิ่งอื่นที่ไปเดวปนในนั้นถ้าเป็นสีเหลืองตกลงใส่น้ําก็เป็นสีเหลืองไปสีแดงตกลงใส่ก็เป็นสีแดงไปสีเขียวตกองใส่ก็เป็นสีเขียวไปแต่ความจริงน้ําไม่เขียวไม่เหลืองไม่แดงน้ําเป็นของใสของสะอาด ของบริสุทธิ์ใจของมนุษย์จิตของมนุษย์เราก็เหมือนกันที่มันแป่วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้เกิดรักเกิดช่อเกิดเกลืเกิดชั่งต่างๆไม่ใช่เรื่องของจิตจิตจริงนั้นเป็นของที่บริสุทธิ์ของสะอาดจิตตังะพัฒส์ลัง คือเือมเป็นประภัดสอนแต่อาศัยอาคันทูกะคือกิเลสจรมาเกี่ยวข้องกับจิตเหมือนน้ำที่ถูกสีต่างๆตกลงสส่น้ำก็เลยกลายไปเป็นสีนั้นสีนี้ไม่น่าดื่มไม่น่าอาบไม่น่าใช้เพราะน้ำนั้นสีไม่ดีสกรปรก จิตของเราก็สกปรกด้วยอารมณ์ตัณญากิเลสตัณหาอย่างนั้นแต่นั้นท่านจึงให้พิจเลนาสําระเรื่องของจิตคี่ไปหลูหลงในเรื่องของรูปต่างๆเสียงต่างๆเพื่อจิตจะได้ปล่อยวางเพราะเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหมือนนั้นทิเลนาแยกแยะดูอะไรกันแน่ที่เราชอบติดจิตจมว่ามันสวยสดงดงาม อะไรกันแน่ว่ามันดีมันเด่นในรูปอันนี้แยกออกดูพิจารณาออกดูผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเมือก็ดีเอ็นกระดูกก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นของสฉยสดงดงามจริงหรือเมื่อไม่มีลมหายใจเท่านั้นถึงสิ่งเหล่านี้จะมี อยู่ครบถ้วนก่อตาคนทั่วไปไม่ชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่มีลมหายใจไม่มีจิตอาศัยสิ่งเหล่านี้จะแปรไปตามถาดเดิมของมันสิ่งเหล่านี้มันมีชีวิตเป็นอยู่มันตั้งอยู่ก่ออาศัยของสุกปกเขาบำรุงรักษาถึงของนั้นจะสะอาดน่าดืม่ม นาทานต่อตามเมื่ออยู่ภายนอกในถ้วยในจานในหม้อในตามเป็นน้ํำก็ใส่ก็สะอาดจะอาบก็ได้ดื่มก็ได้แต่เมื่อเข้าไปในกายแล้วน้ำที่ไหลออกมาจากกายจะเป็นน้ํามูกถึงภาษาไทยของเราเรียกว่าเยี่ยวภาษาบาลีเรียกว่าน้ำมูก ก่ตามน้ำตาก่อตามน้ำมูกก่อตามน้ำเหลืองน้ำเลือดก่อตามที่ไหลออกมามันน่าดื่มไหมน่าอาบไหมน่ายินดีพอใจไหมใช้ทั้งที่น้ํำภายนอกเข้าไปมันสะอาดดื่มได้แต่พอเข้าไปถึงกายออกมาจากกายแล้วเป็นอีกอย่างนึ่งลายน้ำมูก น้ำสะเลตต่างๆตกออกมาแล้วไม่มีใครตาดถนาถ้าไปทมไปตกใส่คนอื่นโดยเจตนาเขาก็จะปรับไหมจับกลุมเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหลา่านี้มันของปฏิกูลเราสาดน้ำธรรมดาใต่เขาเขาไปถือสีถือสาอะไรหนักนาะแต่เราทมน้ำลายบ้วนน้ำลายใส่หน้าเขาเขาจะต้องปรับไหม หรือเกิขดขัดตีกันขึ้นเพราะถือว่าของเหล่านี้สกปรกมันเยี่ยวผมเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นที่เราหลงไหลกันว่าหน้ามันแดงอย่างนั้นมันงามอย่างนี้ก็เลือดมั น, นมีในก็แดงความจริงหน้าหมามันก็แดงอยู่กว่าหน้าคนนะแต่หมาแดงแต่เราก็ไม่ชอบเพราะเราหลงสมมติเราติดสมมุติเราไม่คิดแก้ไขจิตใจของตัว เห็นเขาว่าอย่างไรก็ถือตามสมมติเข้าไปอย่างนั้นโดยดไม่ขี่คายที่เจรินาเปื่อเฉยเฉลียตันหาสลํลักพิธิที่เห็นผิดของตัวให้เข้าถึงความเห็นถูกมันจึงลืลงหลงเกื่อยมารักชอบในสิ่งที่ไม่ควรรักควรชอบ <c oughs> นี่คือเรื่องการพิ่เจรินาการสําระใจ เพื่อจะทำให้จิตใจของตัวเติบใหญ่ทําให้จิตใจของตัวกล้าแข็งทําให้จิตใจของตัวแก่ในทางธรรมะไม่หลงไหลไปนํา <c oughs> เรื่องต่างๆที่เป็นกิเลสตัณหาถ้าหาผู้พิจารณาอย่างนี้อยู่ทุกระยะทุกเวลาทุกการทุกสมัยด้วยสติด้วยปัญญา สอนใจมันจะไม่หลงไหลไม่ใฟฝันไม่บ้าบอไปตามสัญญาอารมณของโลกพระพุทธเจ้าจึงให้พี่เจนาะให้ศึกษาเพื่อทำลายใจทองตัวที่ชั่วที่เสียที่เป็นทุกข์เป็นโทษให้ตกออกไปรักเท่าไรโทษก็มีเท่านั้นเมื่อมันเกลียด้ังขึ้นแล้วมัน คนเกียวเรรันั่นแหะเป็นภัยอันตรายทําให้เราโศกเศร้าเสียใจจนขากันตายเพราะความรักทำในรักปล่อยเอาไว้ถิ้งเอาไว้เฉยๆทำมาดาใจในยึดไม่ถือในล่องในจิตแล้วมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรไม่ทําให้ใจของตัวเกิดทุกข์ยกตัวอย่างน้าลายน้ำมูกของเราที่ตกออกไปเราไม่ เสียดายตายอยากในสิ่งเหล่านั้นมดมันจะไม่กินควจะไม่เหยียบเขาจะมาก่อไฟเผาหรือจะเอาไปทําอะไรเราไม่มีการเสียใจเพราะเราไม่ได้ห่วงใจไม่ได้รักไม่ได้ติดข้องแต่เรารักเราติดข้องทั้งาการติดของนั้นยังอยู่เช่นสาณีพันรยาเราถือว่าเป็นของเรารักให้ไม่หมดได้ถวายชีวิตต่อกันคนเหล่านั้น ไปนอกใจกันภรร ย, ยาไปเป็นเนียน้อยเสียไปคบยิ้มใหม่เสียหรือสามีไปคบยิ้มใหม่หร <c oughs> หมภรรยาไปคบซู้คบชายใหม่เพราะเรารักใครเราชอบใจเรายึด ม, มั่นว่าเป็นของเราใจของเราก็เดือดร้อนแผลเขาเป็นทุกข์ กินไม่ได้นอนไม่หลับขาดกันใช้เพราะความหงห่วงมีทุกข์ทษมยเกิดขึ้นจากความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่ได้พิจารณาทำลาใจแต่เราพิจารณาทำลาใจความที่จะเป็นไปอย่างนั้นมันน้อยลงเบาลงสบายไปของรักให้บีดามานดาวงศาขนะ ย, ยาก หรือบุตรทิดาสามีภรรยา <c oughs> รักเท่าไรเป็นใครเท่านั้นทาให้ใจเกิดทุกข์เท่านั้นทางศาสนาท่านจึงว่าปิยโตไยเตโศโกปิยโตไยเสพยายามหรือกามาโตไยเตโศ โ, โกกามาโตปิยเตพยายามความคิดคิดติดข้อในรูปเสียงิ่นลด จริงเรารักเราชอบใจเรายินดีสิ่งนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนว่าจะนำความโศกมาให้จะนำทุกข์มาให้จะนำภัยมาให้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นธรรมชาติของเขาไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเรา มันจะแป่พรวนเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของมันไม่ว่าตัวของตัวเองก็าตามคนอื่นที่เรายึดมัน่นพื่มั่นก็าตามสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไป ต, ตามธรรมชาติของมันไม่มีใครที่จะมีความสามารถบังคับบัญชาได้จะมียาดีหมอดีขนาดไหนก็เอาเถอะไม่มีทางที่จะแก้ไขตัดจัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงเรียกว่าอนิจจังนั้นให้เป็นนิจจังได้นอกจากทางศาสนาคือปัญญา่านั้นสาธิตเจนะทั่วถึงในสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงแล้วอนิจจังที่พระพุทธเจ้าว่าไว้เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวล า, ต า, วลาตามอายุตามัาษาไม่เที่ยง แต่ไหนแต่ไรมาเข้าใจชัดเจนเห็นอนิจจังเหมนนั้นเป็นนิจจังคือในจิตในใจเป็นนิจจังอย่างไรก็หน้าที่ของเขาเป็นนิจจังอยู่อย่างนั้นความสําคัญความยึดถือเขาเราต่างหากคี่แปลว่าเขาเปลี่ยนแปลงแบบวนไปแต่ความจริงเขาไม่แปรย้อนเปลี่ยนแปลงกหน้าที่ของเขาทางเดินของเขาอยู่ เป็นอย่างนั้นเราทราบมันก็แก้ไขความโกกเศร้าเสียใจครอันตรายออกได้มันจะเกิดจะตายก็ทราบดีว่าน้าขี่พวกมันเป็นอย่างนั้นทราบไปก่อนแล้วถ้าเราไม่ทราบไปก่อนพอมาเจอเข้าเราก็ไม่มีทางหลบทางหลีกตื่นเต้นตกใจเพราะอะไรพิจารณาเอาไว้ก่อน งั้นตอนก็เรานั่งดูดีๆมีมีหรือเสือเรานั่งหลับตาอยู่ภาวนาอยู่ดีๆไม่ได้คิดว่าจะมีใครอันตรายมาถึงเราพอมีหรือสือเข้ามาเ่วนกตัวเข้าลืมตาสิ้นเห็นเราก็วิ่งเส้นโด่ถางทีเดียวเพราะถือว่าเป็นใครอันตราย จิตใจมันเบีวตั้งตัวในจิตอย่างนั้นถ้าหากเราลืมตาอยู่มีมันเข้ามาอันนี้มันเห่าอันนี้มีนโจมอาอันนี้มสามเหลี่ยมมันจับมันมันเหี่ยวเข้ามาแต่เราเราจะฆ่ามันก็ได้เราจะหลบหนีมันก็ได้เราไม่ประหตกใจมากพอเราเห็นตั้งใจมันเหี่ยวเข้ามา อยู่ระยะไกลจนมาใส่ตัวของเราเราเห็นเรามีสติอยู่ว่าอันนี้เป็นมีอถ้าเราไม่ไดลืมตาเราหลับตาอยู่ไม่ได้คิดนึกฝึกจิตอย่างไรพอมาเข้าถึงตัวของเรามันไม่เป็นอย่างนะลืมตาสิ่งเห็นเกิดกลัว และ ม, มีสติบางทีอาจล่มทับสัตว์เหล่านั้นได้เพราะความกลัวโดยไม่ได้ตัางตัวมีสติมีความแกะความเจ็บความตายความพัดห่าจากของรักของชอบใจก่อทำเองเดียวกันเพราะเราไม่ได้คิดเอาไว้ไม่ได้พิจารณาเอาไว้จิตใจของเราไม่เป็นอาจเป็นทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ อะไรลำพันต่างๆฉะนั้นทางศาสนาท่านยิงมให้พินิษ์พิเจนาศึกษาเพว่จิตใจของเราจะได้แก่ในธรรมะเมื่อใจมีธรรมะใจขอยใจธรรมะอย่างนั้นเป็นใจแก่ไปสถานที่ใดไปได้เหมือนคนแก่คนใหญ่ไม่ต้องให้ใครเขาอุ้มเขา แบกไปเพราะร่างกายของเราแข็งแรงพอที่จะไปได้จะนั่งจะนอนที่ไหนก็นั่งได้ตามสะดวกสบายตามใจชอบแต่เด็กเล่าจะไปที่ไหนก็ต้องอาศัยที่เล้ยงหรือพูดให่จูงไปอุ้มไปถึงจะไปได้เขาไปเองของเขาไม่ได้เพราะเขา ร่างกายยังไม่แข็งแรงยังไม่เติบใหญ่ฉันใดจิตใจของพวกเราท่านก็จะมองเดียวกันมันยังอ่อนถึงอายุจะมามันก็ยังอ่อนในทางธรรมะมันไม่มีความรู้ทางศาสนาพอาที่จะแนะนตัวเองให้ปอดภจากอันันญญาอารมณ์ต่างๆไปสถานที่ใดก็เกาะกอดติด แต่สิ่งที่เป็นพิดเป็นภัยไม่เขาใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาเราจรึงควรชำระแก้ไขใจของตัวอบรมใจของตัวให้ดีให้ลิเศียดขึ้นเพราะจิตนี้ถ้าหากเราไม่ประมาทพยายามฝึกอบรมจริตนี้ก็จะเกิดปัญญา หรืเห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆได้จะสะดวกจะสบายจะปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆให้หายไปเราอยากพักอยากหยุดจะความสงบของใจก็พักก็หยุดได้เหมือนผู้ใหญ่อยากพักที่ไหนก็พอพักได้การเข้หยุดของใจก็คือเรื่องสมาธิ มีแต่สมาธิมีแต่หลับแต่นอนแต่พักแต่หยุดไม่ทาการงานอะไรหรอกเมาไปแต่นอนแต่นั่งแต่เล่นแต่เพลินมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เรื่องสมาธิก็ทํานองเดียวกันโดยส่วนใหญ่บางท่านบางคนถือว่าสมาธิเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องสําคัญ พอฝึกรวมจิตใจรวมเย็นสบายไม่เกี่ยวกับกับสัญญาอารมณ์อะไรอยากอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่อยากจะถอดถอนออกมาพี่นิทิจารณาอะไรพอกระทบกับอารมณ์สัญญาต่างๆรู้สึกหงุดหยิดรู้สึกด่วดร้อนรู้สึกไม่สบายเขาสงบอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้น นี่คือเรื่องของสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเพราะเราจะเข้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ตามีรูปมีเราก็ต้องเห็นหูมีเสียงมีเราก็ได้ยินอยู่ในโลกรูปเสียงกิ่นรสไม่ขาดจากโลกมันมีอยู่แต่เราจะนิ่งเฉยอยู่อย่างเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้ แต่เรายังไหมต่างฉะนั้นท่านจึงให้มีความสงบของจิตเป็นที่พักผ่อนเหมือน ก, นกันกับเรามีบ้านช่องเป็นที่หลับที่นอนของเราเมื่อฝนตกแดบดบเผาเราก็จะมีที่หลบเข้ามาพักผ่อนหลับนอนแต่เมื่อหลับนอนยิ่น้าสำําภารแล้วเราจะไปทำการทำงาน เพื่อจะหารายได้จากการงานนั้นมาบำรุงรักษากายของเรามาบำรุงรักษาที่อยู่ที่อาศัยของเราเมื่อมันทรุดโรมหักทําลงไปกว่าจะไดเอาปัจจัยเี่ยงเราหามาได้สอบแซมบุรณะต่อไปมีหมายถึงเรื่องของโลกเรื่องของทางกว่าทํานองเดียวกัน ท่าจริงห้มีสมาธิคือที่พักผ่อนของใจเมื่อพักผ่อนได้ถอดถอนจากความพักผรนจากความสงบให้ที่ที่พิจารณาแก้ไขสิ่งที่ใจของจิตจิตตึงต่างๆว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่การพิจารณาแก้ไขโดยจิตใจที่มีอักมีธรรมอยู่ก่อนคือสมาธิ จะมีทางแก้ไขใจนั้นให้หายจากความสงสัยให้ลดออกไปจากกิเลสต่างๆทั้งๆตัวเองก็ทราบว่าอันนี้ในพิจารณาอย่างนั้นจิตใจแต่ก่ còn, t, ử, อนเคยยึดเคยถือเคยสงสัยเคยยินดีเคยเต็มใจแต่เมื่อพิจารณาด้วย ธรรมะโดยปัญญาจริงจังแล้วอันนี้เป็นพิษเป็นไยัยทำให้ใจให้ชั่วเดี๋ยวร้อนเมื่อมันเห็นโทษอย่างนั้นมันก็ปล่อยได้วางได้ถ้ามันไม่เห็นโทษมันก็ปล่อยไม่ได้ถือว่ามันดีก็ไม่มีใครที่จะทิ่งเพราะถือว่าดีถ้าเห็นว่ามันชั่วมันเป็นพิ่เป็นไยัยเหมือนกันกับคนจับควงมือคอยใจแตบปลหอย ว่า้าบบังมือนี้ไม่ใช่ป้าไหลเป็นมือที่มีพิษมีภัยถ้ามันกัดเหนืออะไรก็จะถึงสึ่งความตายคนนั้นจะยินดีกทำควงอยู่อย่างนั้นหรือเขาจะต้องคว่างทิ้งทีเดียวหรือความปลอดภัยของเขาที่พวกเราก็ทำนองเดียวกันสิไปเยอะม่กในสัญญาอารมณ์หูเสียงกิ่นรสต่างๆก็ถือว่า สิ่งเหล่านี้โลกทั่วไปเขาเหลื่อมใสศรัทธาโลกทั่วไปเขายินดีปรารถนาเราก็เชนโลกคนหนึ่งก็ลงหลงไหลใฝ่ฝันไปตามกันพ่อแม่ญาติมิตรี่น้องครูอาจารย์เ่ื่อฝูงเคยแนะนำสั่งสอนมาว่ามันเป็นอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ก็เลยลหลงไหลใฝ่ฝันกันไปไม่มีใคร ที่จะพิจารณาตามความจริงของมันนอกจากพระพุทธเจ้าหรืออรหัตอรหันต์เหล่าสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงฝึกสอนมาเท่านั้นจริงจะพิจารณากันเมื่อพิจารณาแล้วเห็นแล้วเป็นจริงอย่างนั้นมันก็ปล่อยจริงได้ทั้งทั้งเียงู้เสียงเปี่ยนลถยังมีอยู่ในโลกแต่จิตใจของท่านก็ไม่คิ ด, ไ ม, ด, ไ, มดไม่ติดไม่ตุงไปเพราะท่านเห็น ตามเป็นจริงของมันเราอย่างไรเขาก็ อ, อย่างนั้นนี่คือการฝึกอบรมจิตฝึกเพื่ออาเพื่อทำจิตจะมีความสุขจิตจะมีความสบายมีความสุขสงบแจ่มใสไม่หดเหี่ยวเบัวร้อนเหมือนจิตคนธรรมดาที่ไปถูกกระทบกับสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นถูกกระทบกับสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ หาความปกติสุขม่ได้อยู่เฉพาะตัวไม่ได้วุ่นวายวิ่งเต็นไปหาอารมณ์สัญญาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงบำเรอมันแต่สิ่งที่มันหามาเป็นสัจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยสำหรับเขาใจของตัวไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาก่อสาระะประโยชน์ให้นี่คือใจที่ใข้ คิดติดข้องในเรื่องของกิเลสตัณหาถ้าหายใจใข่คิดไปนในทางสติปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นใข่คิดเพื่อแยกไขใไข่ ค, คิดเพื่อจะสอมใจคล้องตัวเขรู้เห็นเด่นชัดตามเป็นจริงในสิ่งเหล่า น, นั้นใข่คิดไปเท่าไหรก็เกิดปัญญาแยกไข่หายใจหายยึดถือข้องจิตนี่เป็นเรื่องของปัญญา ทางศาสน า, กก า, นานะเกิดขึ้นจากการพินิษฐพิจารณาเกิดขึ้นจากวาลจิตของตัวเองในกองไปศึกษาตามําหรับตำราต่างๆศึกษาวาลพิจิตกับอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกันด้วยสติโดยปัญญาพินิษฐเยาานยานะตามเป็นจริงของมันแต่มันเป็นกันอย่างไรแน่เหนือมันเห็น ตามเป็นจริงของมันมากก็่ปล่อยปลาว่าไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในสิ่งต่างต่งพอเห็นจริงจริงทสมมดเราก็ทราบจิ ง, ง ม, มีมุดคือความบริสุทธิ์ของใจเราก็ทราบนี่จงเรียกว่าปัญญาทางศาสนาปัญญาลักกิเลสปัญญารักษาตัวเองไม่ใช่ปัญญา แบบของโลกมีปัญญาโกงหกโกโลกลมโกงจิ้นเจงก็เขามีปัญญาสามาอย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาของโลกเป็นไปแบบนั้นแกไขจิตใจของตัวเองไม่ได้ถึงจะฉมาด ร, รู้ขนาดไหนแต่ที่เหลือปัญหาถ่วงทับจิตใจไม่รู้สึกเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ทอใจมา ถึงตัวเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะแกไขจิตใจเหนียวแห่งหมดหูวจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายร้องไห้หน้าตาไหลเพระใจไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขตัวเองถูกสิ่งที่ตัวชอบตัวพอใจเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญญาที่จะหักห้ามแกไขโลภในสิ่ง น, นั้นจนคนอื่นดูแล้ว ตั้งหไม่งามตามันเป็นอย่างนั้นเก่ยวปัญญาของโลกไม่เกปญญ่ปัญญาของธรรมปัญญาของธรรมม่นเป็นอย่างนั้นถ้าผู้มีธรรมแล้วตัวเองก็ทราบคนอื่นเห็นถ้าพิจรณาในทางธรรมก็พาทราบได้ไรเรื่องของท่านเป็นอย่างไรไม่ได้สแสดงออก ในทางชั่วทางเสียถึงโลกเขาเคยแสดงกันเพราะสะติของท่านปัญญาของท่านทันกับเหตุการณ์กับอารมณ์ทัญญ า, น, า น, นั้นนะนี่เป็นทางศึกษาเป็นทางพิจารณาเป็นทางสําระเกีวกความอยู่เย็นเป็นสุขของใจแต่เราไม่แจกไข่ไม่ศึกษาไม่พิจารณาไม่อัดไม่ทำแล้ว ใจนั้นจะไม่มีวันเสี่ยงมีแต่จะหลงไหลไฝฝังจิตข้องเพลิดเพลินเลื่อยไปเหมือนกันกับคนหลับตาเดินไม่ทราบว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไรไม่ทราบว่าจะไปตกลุมตกบอ่อโดนหลับโดนตอเพราะตาหลับไม่ได้ดูดตามีปัญญาของโลกมันก็เดินไปได้แต่มันเดินไปด้วยความหลับตา เมื่จะเดินไปดูความลืมตาปัญญาทางศาสนาเหมือนกันกับคนลูมตาเดินที่ไหนเป็นพิษเป็นภัยที่ไหนเป็นอันตรายเจะหลีกจะเว้นจะไม่ไปหาทางปลอดภัยเพื่อตัวเองเป็นอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาทางศาสนาคือสามารถรักษาจิตรักษาใจของตัวไม่ให้ชั่วให้เสีย ให้รู้ให้เห็นในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในอริยสัจธรรมทั้งสิบนี่เรายังเป็นเด็กยังหลุมหลงจึงควรแนะสอนฝึกปฏิบัติตัวของตัวเรื่อยไปอย่าไปพิสวาทำทีส่สอนไปนั้นเราเคยได้พิจารณาแล้วเราเคยได้ฟังแล้ว ถามันแล้วจิตเละตัณหาในจิตในใจมันแล้วไหมมันยังไห่แล้วมันยังติดยังคล้องยังยินดียินร้ายในอารมณ์ทัญญาอยู่เราก็ต้องหมั่นพิจารณาหมั่นศึกษาหมั่นทำลกถามันแล้วมันเสร็จไม่มีอะไรที่จะสงสัยในมีพิษภัยข้องใจนั่นจริงว่าแล้วได้ยินแล้วได้ฟังแล้วได้รู้แล้ว ม, มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะแจกไขไม่มีอะไร <c oughs> ที่จะขัดข้องแต่ถึงกันนั้นผููประพฤรรืชทำสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อาหารหันต์ท่านก็ยังศึกษากันยังยินดียินลงในธรรมเราที่ไปคิดไปเห็นจิตใจของเราเป็นไปอย่างนั้นเบื่อน่าย ไม่อยากฟังเพราะเคยได้ฟังมาแล้วเคยได้ยินมาแล้วทุกทีทุกอย่างท่านไม่รู้ไม่พอใจเท่ากับเราเราฉลาดกว่าเราดีกว่าถ้าไปคิดอย่างนั้นมันก็บื่ไม่อยากฟังไม่อยากศึกษาเพราะถือว่าเขาโง่กว่าเราจะไปศึกษาให้เสียเวลาทํำไมมันเลยคิดไปแบบนั้นจงต่างหน้าต่างตาศึกษาปฏิบัติ จะให้คิดคิมาณที่เหน็ดตัณหามาเป็นศาสดาของใจเมื่วยอะไรยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาได้ดูหูได้ฟังนํามาที่นิจเจนะเกิดเป็นธรรมะสอนใจผู้มีสติผู้มีปัญญารักษาใจของตัวอยู่อย่างนั้นโดยความไม่ประมาทผู้นั้นแหละจะมีโอกาสเวลา สำลักใจทั้งตัวที่ชั่วจี่เสียให้บอดี้สึกจงหมั่นศึกษาหมั่นพิจารณาหมั่นสําระเรื่องของใจไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นไม่เป็นไปให้เกิดทุกขได้ชาติได้ก็จะมาวุ่นวายกังวลอยู่กับจุดเสียงจิตลดที่เหลือตัณหาอยู่เรื่อยไปเพราะไม่มีใครที่จะแก้ไขให้นอกจากเราจะแก้ไขตัวของเรา การเยี่ยมไหวตายเกิดไม่ทราบว่าจะมีอีกอกีก่พบกี่ชาติจึงจะหมดจึงจะถึงที่สุดที่มดนิพพานได้เราจะยอมเกิดยอมตายด้วยไปอย่างนั้นนี้เราจะตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติเพื่อแก้ไขไม่ยอมป่อพบป่อชาติอีกให้รูหมดมันเสพเสียอย่างไรเราก็จะไม่อยู่ ทุกเราก็จะไม่อยู่ทุกแล้วก็จะไม่อยู่เต้นแล้วก็จะไม่อยู่ตายแล้วก็จะไม่อยู่จากเพื่อปฏิบัติจากความหลุดพ้นของใจไม่ปิดขอ้อกับสัญญาอารมณ์จิตเหตุปัญหาต่อไปอะไรที่นั้นความจิตอยู่ในจิตในใจใจะแก้ไขจะทำละมา้งจนเหนื่อยไปจากชัดเจนในใจว่าไม่มีอะไรที่จะละที่จะบําเพ็ญอีก เมื่อตั้งใจเข่นแข็งอย่างนั้นการประบฤติปฏิบัติโจกข้อเราก็จะเข็ญแข็งขึ้นในอ่อนข้อในการประฏิบัติแล้วก็จะเห็นจะเป็นจริงรู้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าจสอนว่าวีมุตหรือทำหลุกไปจาก วิเลตตัญหาสัญญาอารมณ์คนไปจับสมลุกเรียกว่าวิโมกวิสุที่ทํามเข้าใจไปจับพอเราทําละสาสางพอเราปฏิบัติถ้าเราไม่ตั้งหาตั้งตาปฏิบัติจะยอมเกิดยอมตายอยู่เรื่อยๆไปมันทุงขยากลําบากขนาดไหนมันก็ยังมีทางแก้สงสัย ขาดนี้เราเป็นอย่างไรทุกอย่างลำบากไหมความเป็นอยู่ของเราจิตใจที่ไปหลงโวยเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆนานามันลบกวนตัวขนาดไหนก็พราะทรามได้แต่ไม่เกลียดหลับกันอย่งยินดีเลี่อมใสเราเคยเป็นข่าเก่าเก่าเลี่ยงของเขามาให้ชีวิตปัญหาสี่หลังนั่งคว่เลยมา ว่าจะยินดีเป็นาทาสของเขาอยู่อย่างนั้นมันอ็ควรแต่เราเราหรือ ส, อ, สอนใจปลกใจทั้งตัวให้ตื่นฝึกปฏิบัติอย่าให้ดิเดตันหามันมีกำลัง <c oughs> มันข บ, บัญชาจิตใจของเราให้ห่างไกลไปจากธรรมะถ้าเรามีธรรมะ ประจำอยู die, ่ม er ีสต so so, he ิปัญญาประจำอยู่ที่เหลยกกันหามันคลัเหมือนกันกับคนมีอาวุธดีอยู่ในมือถือความขยันมัดต้นไม้ขี้มันก็กลัวเพราะมาเห็่อเข่าเขียวมันจะยิงตายข่าตายนี่คืเหลือตัณหามันเในกลัวสําหรับคนโ่วคนเสียคนไม่มีสติคนไม่มีปัญญามันไหลเข้ามาอยู่ทุกการทุกเวลานั่ง ฟังทาอยู่มันก็ไหลเข้ามานอนอยู่มันก็ไหลเข้ามาจิ้อยู่เดิมอยู่มันก็ไหลเข้ามาเพราะมันมีสติม่มีปัญญาห้ามกันมมนมีสติปัญญาแจกไ ข, ขใจของตัวเองมันเกิดขึ้นได้มันไหลเข้ามาได้ทุกทางตาก็เป็นทางหนึ่งหูมันไหลเข้ามาหูก็เป็นทางหนึ่งเจม้มูกลิ้มกายไหลเข้ามา พยายามรักษาพยายามพิจารณาพยายามแก้ไขความสุขความสบายความสงบ จ, จะเกลียดจะไม่มีใครหามาให้นอกจากตัวของเราจะหามาใส่ตัวของเราเองฉะนั้นขอทุกท่านจงมาที่นี้พิจารณาศึกษาตั้งนาต่้งตารักษา จิตของตัวด้วยสติปัญญาเมื่อทุกคนสนใจสุกอบรมอย่างนั้นก่อนจะไปสุแต่ความสุขความจเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขพอาะยทธิเพียงแค่นี้เจวงัง